Book 2 48 48ริดอสกิจกรรมระหว่างการพักร้อนอาคทิวิตีนาโดวเลนเคหาดทรายสะอาดไหมยตาปลาสชีสตาเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม ดาสตคูปเล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือเ je ยย b e z p ยบสเปชในคูปัจสตขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับยังไม่จำเป็นจะต้องใชสขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ je m o ม n จ po ป็นจะต้อ l ใย ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครั บ, มรบผมอยากเล่นกระดานโต้ครื่นผมอยากดำน้ำผมอยากเล่ส น, นส ก, ส ก, นสกนนีน้ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับดาสตูเปรนาหย a ดเซิรขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับดาสตูเปรน a หยัดโปตาป a จขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับดยายนาหผมเพิ่งเริ่มหัด somlen za č i a t o č n í k ผมพอเล่นได้ som <S, <S, s t r e d n e dobrý ผมเล่นได้ดีมาก uśstemiem z a o b c h á d z a ť สกีลิฟอยู่ที่ไหน d z i e j e l i ś m skivek คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า mas z a s e b o l y ž e คุณมีรองเท้าส ก, กีมาด้วยใช่ไห ม, ม